มันพระฤาษีกลุ่มนี้ก็เดินทางอย่างเร่งเรียบทุกที่พักคืนเดียวนะไปพักคืนเดียวเช้าก็ไปพักคืนเดียวเช้าก็ไปก็ไปถึงเมืองสาวัตถีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมประกาศอริยสัจธรรมให้ฟังก็มีศรัทธาที่จะบวชบวชแล้วไม่นานก็บรรลุเป็นพระอารหรันต์ทีนี้ฝ่ายเศรษฐีผู้ใหญ่ทั้ง3ามคนเนี่ยนะพร้อมทั้งบริวารขับเกวียนไปคนละห้าร้อย โอ้ยกองเกวียนใหญ่มากเลยกองคาราวานเกวียนพัน500้ารอเล่มเกวียนน่ะดีนะเขามาว่าฤาษีไม่รอถ้ารอก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยนะมันแม้มเดินทางมันจะช้าขนาดไหนคนงขนาดนั้นเนี่ยนะก็ก็เหมือนไปอินเดียวราบอกอุย้ยไปกันสองคันรถสามคันรถทัวสี่คันร ถ, รถตัวไปเต้เนี่ยนะไปก่อนละกันหรือไม่เขให้มาไปก่อนกันละกันเนี่ยนะแล้วก็เขาบอกอุย้ยไปคณะใหญ่ๆอย่างนั้นอ่ะทุบแต่ตายอย่นั้น อีก ค, คนท้องเสียคนเดียวก็หมรอกันทั้งรถเนี่ยนะนลำบากแล้วละ่ะนี่อาหารก็ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปอินเดียไปครั้งแรกเนี่ยนะก็เลือกคณะที่มันกระทัดรัดหน่อยก็แล้วกันอย่าไปแบบแหมเป็นคณะมหาชนใหญ่กันมากเลยนะ แค่ว่านอนตื่นสายสักคนเดียวในคนอื่นก็ต้องรอรถกันหมดน่ะท้องเสียงระหว่างทางคนเดียวก็เดือดร้อนกันหมดคือคือมันมีเหตุปัจจัยเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยกันบางทียิ่งหลายคันเท่าไหร่เนี่ยนะกำหนดมันจะไม่ทําอย่างที่ที่วางไว้ตารางเนี่ยมันจะล้มระเนระนาดกันหมดอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะอินเดียเนี่ยไปเทอเนี่ลองขนกันไปสักห้าหกร้อยดูถ้าไปไปทําบุญจริงๆเนี่ยนะประสงค์แต่บุญอย่างเดียวจะรู้ว่าโอ้าระใหญ่มากเนี่ยนี่ก็เหมือนกัน เสร็จแล้วก็พวกเศรษฐีทั้งบอกก็ไปปลูกค่ายน่ะนะห้าร้คนไปเช่าโรงแรมไม่หวาดไม่ไหวแล้วมั้งเนาะไม่ต้องไปตั้งค่ายตั้งเต็นกันเองละอยู่ที่ที่ไหนสํานักพระใกล้ๆพระเชตวันแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังนี่นะแสดงธรรมมรราที่ไผเราะทั้ง3คนฟังธรรมจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่นะโกสกะเศรษฐีปาวาทิกะเศรษฐีกุกุตาเศรษฐีเนี่ยนะบนรรลุเป็นพระโสดาบันกันหมดเลย เสร็จแล้วก็เมื่อมีศรัทธาเลื่อมสายอย่างนี้เนี่ยนะก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่ที่ค่ายที่เต็นท์ของตนเนี่ยนะที่ค่ายที่ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระองค์ก็ฉันเขาก็ถวายทานเนี่ยติดติดกัน ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด้วยใจที่เลื่อมสายเนี่ยสิบห้าวันครึ่งเดือ น, นนะก็พักอยู่ฟังธรรมในที่สุดเนี่ยนะก็คิดว่าเอออยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจะต้องกลับละ ก็เลยไปขอประธานปฏิญญาก็คือไปนิมนต์พระพุทธเจา้าว่านิมนต์ไปสงเคราะห์ประชาชนทางเมืองโกสัมพีบ้างเนี่ยนะพระพุทธเจา้าก็บอกขึ้นหาบาดีทั้งหลายพระตถาคตย่อมยินดีอย่างยิ่งในเรือนว่างเรือนเปล่าหรือศูนย์ยาคานก็แปลว่าถ้าพระพุทธเจา้าไปมันก็ต้องมีที่พักและที่พักมันต้องเงียบหน่อยนะคึหาบาดีก็เข้าใจว่าเออเท่านี้พระพุทธเจา้ารับนิมนต์แล้ว น, นะ เขาก็เลยเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้ารับนิมนต์เขาก็ออกเดินทางกลับในระหว่างทางก็สร้างวัดเนี่ยนะสร้างที่พักระหว่างทางไว้16กิโลต่อที่หนึ่งสร้างที่พักตลอดทางเลยเนี่ยนะก็สั่งให้คนเนี่ยไปดูแลเรื่องการสร้างทางทุกที่ทุกที่เพราะฉะนั้นหนทางพอไปถึงเมืองโกสัมพีระหว่างทางก็บอกว่าบอกประชาชนระหว่างทางว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะ ก็เลยชวนกันสร้างสร้างที่พักหรือสร้างวัดระหว่างทางตลอดทางเนี่ยไปเรื่อยๆ น, ยนะจนถึงเมืองโกจนถึงเมืองโกสัมพีพอไปถึงเมืองโกสัมพีกุกุตตเศรษฐีก็สร้างวัดชื่อว่ากุกุตตารามปาวาริกะเศรษฐีก็ชื่อว่าปาวสร้างปาวาริกัมพวันในป่ามะม่วงยกสวนมะม่วงให้ของตัวเองหลายร้อยไร่เนี่ยนะเป็นเป็นวัดแล้วก็คโคสิตาเศรษฐีก็สร้างคโคสิตารามคโคสิตารามเนี่ยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าพักมาก พักมากกว่าวัดอื่นๆทั้งหมดในในเมืองโกสัมพีเนี่ยนะพันมาดูข้อความเนี่ยที่นี่ที่วัดโคสิตารามเนี่ยมีพระภิกษุสองเนี่ยพักอยู่หลายรหลายเป็นพันกับรูปเนี่ยนะพันกับรูปพันข้อความในโกสัมพียสูตรเนี่ยนะพระนนกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารโคสิตารามเขตพระนครโกสัมพีสมัยนั้นภิกษุในเมืองโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและ ก, กันด้วยหอกคือปากเอ้ยหอกคือปากนี่มันทิ่มแทงถึงขั้วหัวใจเลยนะแปลว่าไม่มีบาดแผลเนี่ยนะไม่มีบาดแผลด่ากันเจ็บถึงใจเนี่ยนะแล้วก็ไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยไม่ปรารถนาที่จะเข้าใจกันด้วย ทะเลาะกันชนิดที่เรียกว่าทะเลาะกันแบบไม่ต้องการความสามัคคีนะทะเลาะกันแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ไม่ต้องอยากแค่เรื่ออะไรนะไม่ต้องหวังที่จะเจอเจอกันเนี่ยแค่เรียกว่าทะเลาะกันชนิดที่ไม่อยากจะร่วมสังฆกรรมกันต่อไปแค่เรียกว่าไม่คิดว่าเดี๋ยวเราจะคืนดีกันวันนั้นเลิกทะเลาะวิวาทกันวันนั้นวันนั้นบอกไม่ใหนะแค่เรียกว่า لك, ไม่ปรับความเข้าใจแล้วไม่ต้องการจะปรับความเข้าใจกันไม่ปรองดองกันแล้วไม่มีความปรารถนาที่จะ พรองดองกันเรียกว่าทะเลาะกันอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยนะไม่ต้องการให้อภัยไม่ต้องการสืบสาวราวเรื่องใครผิดใครถูกไม่ต้องการสร้างทะเลาะกันอย่างนั้นน่ยคือเรื่องถามว่าพระภิกษุทะเลาะกันเรื่องอะไรที่พูดแล้วมันอายอายขำจะตา ย, ยาทั้งอายด้วยทั้งหน้าคขำด้วยทะเลาะกันเพราะน้ําในส้วมขันเดียวเรียกว่าน้ําในส้วมนะไม่ใช่ไหมน้ําดื่มน้ําอะไรที่มันหน้าพอทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะน้ําในห้องน้ําะมา น้ำแล้วห้องน้ำโบราณน้นําในนั้นมันดื่มได้ที่ไหนมันสะอาดสัที่ไหนเนี่ยนะและ้วก็ก็คือมีเรื่องอยู่ว่าพระพระหูสูตรหรือพระธรรมกถึกเนี่ยนะพระผู้เป็นผู้แสดงธรรมเก่งอภิธรรมเนี่ยท่านก็เข้าไปในห้องน้ำไปจักรกุฏีไปถึงก็ไปเหลือน้ําล้างไว้ในภาชนะแล้วก็ออกไปก็คือป ก, กติก็มีหม้อใหญ่แล้วก็หม้ภาชนะเล็กในชะ่ไหมก็คือขันนะ่ะไปตักน้ําเหลือไว้ในขัน ตอนอพอออกมาพระวินัยทรก็เข้าไปก็ไปเห็นน้ำในขันนั้นเข้าก็เลยถามว่าอา้าวน้ํานี่คุณเหลือไว้หรือก็บอกผมข้าพผมเหลือเอาไว้อา้าวท่านรู้ไหมว่าเป็นอาบัติอนะการเหลือน้ำในขันไว้ในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นอาบัตผมไม่รู้เอเอเถอะช่างแต่คุณแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอาบัตข้อนี้อา้าวถ้าผมเป็นอาบัตผมจะแสดงคืนพระพระพุสูตรเนี่ยนะ นกบอกถ้าเป็นอาบัติแล้วผมจะแสดงคืนพระวินัยทรก็บอกว่าถ้าไม่มีเจตนาจะเอาน้ําเอาไว้เพราะหลงลืมสติไม่คิดว่ามีน้ํามีอะไรนะคุณก็ไม่เป็นอาบัตหรอกก็คือเราพูดในสิ่งที่ไม่เป็นอาบัตทีนี้พระวินัยทรเนี่ยก็คิดว่าเออพระธรรมกึ่งก็คือคิดว่าไม่เป็นอาบัติเพราะตัวเองไม่รู้ไม่จงใจไม่เจตนาเพราะที่จริงก็ไม่รู้จัดสิกขาบทข้อนี้นะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันมีในขันวางเอาไว้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นพระผู้เป็นพระสูตรก็เห็นว่าไม่เป็นอาบัติในสิ่งที่เป็นอาบัตคือจริงๆแล้วเป็นอาบัตเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าเพราะอะไรเพราะไม่คือคือรู้ไม่รู้อ่ะแต่รู้อยู่แล้วว่าในน้ำเนี่ยในขันเนี่ยมีน้ำมันถ้ารู้แล้ววางเอาไว้ด้วยเจตนาวางเอาไว้อย่างนั้นมันก็เป็นอาบัตเพราะฉะนั้นท่านจะรู้สิขาบทไม่รู้สิขาบทมันก็ไม่ไม่เกี่ยวกันอะ่ะแต่ว่าตรงเนี้ท่านก็คิดว่าไม่เป็นอาบัตทั้งๆที่เป็นอาบัตทีนี้ พระผู้ทรงวินัยเนี่ยก็ไม่พยายามจะเคลียให้ถ้าให้ท่านนะว่าเออเมื่อเมื่ อ, อท่านเป็นอาบัติท่านก็ทําคืนนะไปปลงอาบัตินะ้าอะไรนะก็คือการบอกกันง่ายๆเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อยากทําคืนแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าสองข่ายเนี่ยนะกินใจกันลึกๆกินใจกันลึกๆข่ายพระวินัยก็ทะเลาะ ก, กับข่ายอภิธรรมเนี่ยนะ คิดง่ายๆว่าข่ายวินัยที่มีบริวารห้าร้อยข่ายอภิธรรมนี่มีบริวารห้าร้อยเนี่ยแสดงว่าวเขม่นกันพอสมควรเนี่ยนะเขม่นกันพอสมควรเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าพระวินยัยพระธรรมกัคคตต้องการจะทําคืนอาบัติพระวินัยทรก็เบี่ยงไปเรื่องอื่นก็คงไม่เป็นมั้งเนี่ยนะเพราะท่าไม่ท่านไม่เจตนาก็ไม่เป็นอาบัตอะไรหรอกเนี่ยนะแต่พร ะ, พระธรรมกัคคตนักอภิธรรมก็บอกเออคงไม่เป็นไม่เป็นใด เพราะตัวเองก็ไม่ได้แตกฉานรู้รายละเอียดของพระวินัยเนี่ยนะคือคือพระวินัยทรนก็ไม่ได้ทำตัวให้ปรึกษาได้แนะนำได้ว่าเออทางทางออกควรจะเป็นยังไงเนี่ยไอ้พระผู้เป็นพระหูสูตรนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองก็ไม่รู้นะไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่ฝ่จะรู้เท่าไหร่ไม่ต้องการจะรับรู้เท่าไหร่ว่าวินัยมันเป็นยังไงไม่สนใจเพราะฉะนั้นอาทีนี้อาจารย์ผู้ส่งวินัยอาจารย์ผู้คณะวินัยทรเนี่ยนะก็ ไปถึงที่พักก็ไปบอกลูกศิษย์ตัวเองอาจารย์ปากเสียก็ไป น, นี่แหละก็บอกว่าดูที่ว่าเนี่ยพระพี่เป็นพหูสูตรนะเป็นอาจารย์อภิธรรมเก่งขนาดนี้นะเป็นอาบัติขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นอาบัตนะนะยังไม่รู้ตัวว่าเป็นอาบัตทีนี้ไอ้ลูกศิษย์ของผู้ที่ลูกศิษย์คณะวินัยทรนเนี่ยก็ปากเสียตามไปอีกก็เลยคือคือมันเนื่องจากขมเณรกันบ อ, ก, อกแสดงว่าอาจจะมีปัญหาลึกๆว่า เออเรียนอภิธรรมดีกว่าเรียนวินัยดีกว่าไอ้พวกอภิธรรมไม่รู้วินัยพวกวินัยไม่เอาอภิธรรมไอ้พวกเอาอภิธรรมก็รู้แต่อภิธรรมไม่รู้จักวินัยไม่รักษาวินัยไม่สนใจวินัยมันก็คงพูดกันพอสมควรแล้วละ่ะแค่ว่าเพียงว่าจุดประเด็นชนวนให้มันแตกตรงไหนแค่นั้นเองก็มาประเด็นนี้พอดีประเด็นน้ําขันเดียวในช่วงเนี่ยก็เลยไอ้ฝ่ายตรงนี้ก็อยากขม่มฝ่ายอภิธรรมมานานแล้วเนี่ยนะ ไม่รู้จะหาช่องไปข่มนักอภิธรรมยังไงก็เลยไปข่มพระพวกอภิธรรมว่า อ, อย่าว่าพวกท่านนะอาจารย์ของท่านนะเป็นอาบัตยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัตินนะไปก็มาณนะยกหางเข้าไปเลยเนี่ยนะแหมปรับเขาเต็มที่แล้วก็เหยียบให้จมดีเนะี่ยอาบัตเล็กขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องแล้วยังอื่นจะรู้เรืออะไรเนี่ยนะนะขม่ขมข่มหน้าดูเลยทีนี้นไอ้พวกนักอภิธรรมเนี่ยนะนีสิทธิ์ของพวกทรงอภิธรรมก็เอาข่าบข่าวนนั้นมาบอกอาจารย์อีกอ น, นะ มาบอกอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะพวกวินัยทอเนี่ยมันมูสาวาทใช่ไหมเมื่อก่อนก็บอกว่าไม่เป็นอาบัติตอนนี้มาปรับอาบัติเพราะฉะนั้นอาจารย์นั้นน่ะมูสาวาทผมบอกว่าผมจะแสดงคืนก็บอกว่าไม่ถ้าไม่เจตนาไม่เป็นอาบัติเพผมไม่เจตนาผมจะเป็นอาบัติได้ยังไงที่จริงตัวเองไม่รู้อาบัตินะไม่เข้าใจในเรื่องอาบัติพอไม่เข้าใจอย่างนี้เข้าก็เลยทําไงดีก็ไปบอกอาจารย์ฝั่งโน้นว่าอาจารย์ฝ่า วินัยทรเนี่ยพวกนี้มันมูสาวาฏปากก็ว่ารักษาวินัยแต่ว่าตอนก่อนพูดว่าไม่เป็นอาบัตตอนหลังก็มาปรับอาบัติกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นมูสาวาฏเนี่ยเทศเนี่ยพูดจริงอย่างเงี้ใช้ได้ที่ไหนไอ้ลูกศิษย์ของนักอภิธรรมก็เลยเอาคาบอันเนี้ยข่าวไปบอกว่าอาจารย์ท่าน่ะมูสาวาฏตอนแรกก็ว่าไม่เป็นอาบัติตอนหลังก็ว่าเป็นอาบัติอีกแล้วมันก็เลยทะเลาะ ก, กันหนักเข้าทีนี้วินัยทอนเขาก็ถือว่าเขาเก่ง เขาเขเป็นนักกฎหมายนะวินัยทองก็าคือกลุ่มนักกฎหมายอันนี้นี่ผิดแล้วว่ายังไม่ทําคืนอีกหาเรื่องลามปามจับลงธนตกรรมเลยจับสวดเลยสวดปรับภาชนิยกรรมโทษฐานไม่เห็นอาบัติก็เลยจับสวดเลยแค่เรียกว่าทำแค่เรียกว่าจับเป็นแค่เรียกว่าให้แยกให้เป็นนานาสังวาสแค่เรียกว่ากรรมมะนานาสังวาสเพราะโทษฐานเป็นอาบัติแล้วไม่ทําคืน น, นะเป็นอาบัติแล้วไม่ทําคืนที่นี้ ตัวอาจารย์นี่ก็เป็นแค่เรว่อกรรมะนาณ า, าสังวาสลูกศิษย์บอกอาจารย์ไม่ผิดอาจารย์ถูกรังแกอาจารย์นี่ถูกพวกวินัยทรรังแกจับสวดทําเป็นอะไรแคเรื่อลงอุเคปณิยกรรมแบบนี้ใช่ไม่ได้ก็เลยเข้าข้างอาจารย์ไปแค่เรื่อเป็นพวกลัทธิน า, นานาสังวาสเนี่ยนะอาจารย์ก็เป็นกรร ม, มะนาณ า, าสังวาสลูกศิษย์ก็แบ่งเป็นสองกกใหญ่กกละ500้อโอ้โสองครามน้ำลายก็ท่วมมันไปหมด ทะเลาะเบาแวงกันหน้าดูแล้วทุกคนก็ไม่ต้องการปรองดองไม่ต้องการความสามัคคีก็อยู่ใครอยู่มันก็แล้วกันเนี่ยนะนั้นก็คอยทิมกันด้วยหอกคือปากนี่นะปากก็ทิมกันไปวินัยนักอภิินัยก็ทิมอภิธรรมพวกอภิธรรมก็ทิมนักวินัยก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นศาสนาก็เล่แทนนั่นเอนะทุกคนก็ดีหมดนะที่จริงทุกคนอ้างธรรมอ้างวินัยหมด อีกฝ่ายหนึ่งอ้างทำอีกฝ่ายหนึ่งอ้างวินัยแล้วทำกับวินัยทะเลาะกันอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติว่ามือซ้ายกับมือขวาทะเลาะกันยอมว่าอะไรจะเกิดมือขวาก็บอกไอ้มือซ้ายไม่ดีต้องตีให้ตายเลยตีให้มันหักไอ้มือซ้ายก็บอกมือขวาใช้ไม่ได้ตีไปตีมาอะไรจะเกิดขึ้นคิดได้ว่าเรื่องแบบนี้มันคล้ายกันอะอย่างที่พระผู้ใหญ่ท่านเล่าเรื่องมาเขบอกว่าอาจารย์คนหนึ่งมีลูกศิษย์สองคนงนะฮะปกติแล้วลูกศิษย์สองคนเนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่ง คือว่านวดขาขวาอีกคนหนึ่งนวดขาซ้ายทีนี้ไอ้ลูกศิษย์สองคนนี้มันด้านวันหนึ่งมันทะเลาะกันพอลูกศิษย์สองคนทะเลาะกันเนี่ยนะมันก็บอกคือไอ้กระคนทะเลาะกันเนี่ยมันคิดว่าจะทํำยังไงให้อีกคนหนึ่งเจ็บใจที่สุดเท่าที่จะเจ็บใจได้วิธีการก็คือทําไงดีก็ต้องทําลายสิ่งที่เขารักที่สุดเออศิษย์ มนสิทธิ์ที่ดูแลอาจารย์ขาข้างขวาก็จะรักขาอาจารย์ข้างขวามากอีสิทธิ์คนหนึ่งที่ดูแลขาข้างซ้ายก็รักขาข้างซ้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้มันถึงที่สุดมันก็เลยเอาไม้ไปตีนะสิทธิ์ที่ดูแลขาข้างขวาก็ไปตีขาข้างซ้ายอาจารย์อีสิทธิ์ที่ดูแลขาข้างซ้ายก็ไปตีขาข้างขวาอาจารย์ก็สลับกันตีอย่างเงี้ยนะขาอาจารย์หักสองข้างดีนะอาจารย์ก็ปางตายนั่นแหละเพราะสิทธิ์สองคนทะเลาะกันนี่ก็เหมือนการพุทธศาสนาเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้น สองคนทะเลาะกันเนี่ยนะสงครามน้ําลายมันก็ท่วมเนี่ยนะถ้ามันเป็นแบบเป็นรูปประธรรมใส่ก็ฝั่งนี้ก็หยอระเบิดฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็มาหยอระเบิดฝั่งนี้เนี่ยนะโยนอุจระใส่กันไปเม้นถึงกันไปหมดเนี่ยนะเกิดว่าระเบิดอุจระเนี่ยนะเม้นกันตลบอบอวลไปหมดเนี่ยนะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทีนี้ศาสนาจะเจริญได้ยังไงถ้าคนที่ทะเลาะกันเนี่ยมันก็จ้องเพ่งหาโทษกันถ้าจ้องเพ่งหาโทษคนอื่นเนี่ยคนอื่นทู่ศีลตรงไหนบ้างคนอื่นทู่ศีลตรงไหนบ้าง ดูเหมือนตัวเองเป็นคนสุจริตยุติธรรมแต่ว่าในที่สุดอะไรเกิดขึ้นศีลก็ไม่เหลือสมถะก็ไม่เหลือวิปัสสนาก็ไม่เหลือเนนห่างไกลาจากศีลสมถะและวิปัสสนาหนักๆเข้าดูที่ว่าพระพุทธเจ้าห้ามอยู่หรือเปล่า